เพียแค่นี้อาตมาก็รู้ดีแล้วว่ามันติยาเป็นคนใจบาปหยาบชารจริงดังที่ท่านเคยเล่าให้อาตมาฟังแล้วจะทํายังไงก็พอจกคิดอะไรไม่ออกเลยสมองตื้อไปหมดอย่าเพิ่งสิ้นหวังยังมีช่องทางที่เราจะช่วยกันแก้ไขต่อไปมีช่องทางมีช่องทางจริงๆนะเหรอท่านธรมณะช่องทางนั้นมีแน่นอน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 ท่านพอจะทําได้หรือไม่ได้ท่านสมณนะเขาพระเจ้าจะทําตามที่ท่านแนะที่เขาพเจ้าจะต้องทํามีเพียงเท่านี้ใช่ไหมท่านสมณนะมีเพียงเท่านี้แหละถ้าอย่างนั้นเขาพเจ้าขอลา เช้านี้ท่านเตรียมจะใส่บาตรแล้วเลยเนี่ยถูกแล้วข้าพเจ้าเตรียมใส่บาตรเมื่อวานนี้ท่านถูกนายเรียกไปว่าแล้วยังไม่เข็ดอีกเหรอเป็นความพอใจของข้าพเจ้าช่วยไม่ได้ข้าพเจ้าสงสารท่านเไปแล้วสิกระใจ น, นะสงสารเหรอสองสารทําไมล่ะเมื่อวานท่านถูกนายดุว่ามาทีแล้ววันนี้จะไม่ถูกดุว่าอย่างเดียวท่านยจะต้องถูกลงโทษหนักอีกด้วยฐานฝ่าฝืนคําสั่ง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 เสี่ยงจริงๆข้าพระเจ้าเห็นจะต้องขอตัวไม่ใส่บาท ด, ด้วยล่ะไม่อยากเสี่ยงเหมือนท่านกัเช่นนะดูเหมือนมือท่านสั่นถูกแล้วท่านสมณนะ มือข้าพเจ้าออกจะสั่นไปหน่อยคงเกิดจากความกลัวข้าพเจ้าไม่กลัวใจท่านไม่กลัวแต่สัญชาตญาณความกลัวยังมีอยู่กระเจียนาะนายท่านเรียกให้เรียไปหาเดี๋ยวนี้ครับพระามัตยะเห็นข้าพเจ้าใส่บาตรท่านแล้วคงเรียกไปดุหรือไม่ก็ลงโทษพยายามทําใจให้ดีทําตามคําแนะนําของอาตมาที่บอกเมื่อคืนนี้อย่าลืมสิละ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 ชาชัวดูนายท่านจะโกรธเขาไปเจ้าใช่โกรธเากอะไรด้วยเจ้าไม่ได้ทาชาชัวนายท่านโกรธเขาไปเจ้าเรื่องอะไรฮะยังจะมมหน้ามาถามก็จะทำอะไรเมื่อกี้ฮะเขาไปเจ้าใส่บาตรนั่นแหละเจ้าไม่ได้ท่าชาชั่วข่าสั่งแล้วใช่ไหมไม่ให้ใส่บาตรสมนัล้อนองนั้นทำไมเจ้าจึงมังอาจฝ่าฝืนคาสั่งของข้า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 แต่ท่านสมณะผู้นี้สามารถบรรดาลได้เขาพระเจ้าประสบกับความทุกข์แทบตายแต่ก็รอดชีวิตมาได้เพราะอํานาจของท่านเขาพระเจ้าได้เกวียนเล่มหนึ่งวัวสองตัวและสเสบียงอาหารสําหรับข้ามถิ่นกันดารก็เพราะฤทธิ์ท่านกาเจนะที่เจ้าพูดมานั้นจริงนะ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 ถ้าท่านอยู่ที่นี่ต่อไปอีกข้าพเจ้าอาจได้รับทรัพย์สมบัติอันมีค่าต่างๆอีกมากมายก็ได้แม้แต่ท่านเองก็อาจจะได้ด้วยฮะข้าได้ด้วยเหรนายท่านจะต้องได้แน่นอนอืมน่าสนน่าสนใจมากหลักฐานพยานที่กัจเจนาเล่าให้ฟังนะับว่ามีเหตุผลสมควรเชื่อถือได้และอีกประการนก็เคยได้ยินได้ฟังอยู่เสมอว่า มีนักโทดบางองคที่ปฏิบัติทางจิตจนสามารถมีอิทธิฤทปฏิหารสามารถบรรดาเสีย ง, งต่างๆได้ถึงแม้จะไม่เคยประสบด้วยตัวเองและยังไม่เชื่อใจสิญกรตามอย่างน้อยก็ควรจะลองดูก็ไม่เสียหายอะไรถ้าภิกษุรูปนั้นมีลิขานุภาพจริงก็ได้ทราบจนบาร่ารวยยิ่งขึ้นแต่ถ้าไม่มีลิิก็ไม่เสียหายอะไร ไล่ไปใต้พ้นหมูบ้านก <ไป S 1> ็สิน้นรทธิที่ข้าพเจ้าพูดมาทั้งหมดนี้เป็นความจริงนะท่านข้าพเจ้าไม่โกหกหรอกเอาล่ะเอาละกัดเจนะข้าจะลองเชื่อเจ้าดูสักครั้งพรุ่นี้เช้าถ้าภิกษุรูปนั้นมาบิณฑบาตอีกเจ้านิมนมาพบข้าด้วยนะ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 อาตมาจะไปเดี๋ยวนี้ ว่าท่านมันตรยาพราหมณ์ต้องการพบอาตมาถูกแล้วข้าพเจ้ามีเรื่องบางอย่างที่จะถามเชิญท่านถามมาได้เลยท่านฉันพระทหารสะก่อนเถอะฉันเสร็จแล้วข้าพเจ้าจึงจะถามดีเหมือนกันอาตมาจะได้ฉัน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 เธิญเลท่านสมณะตัวท่านมีตําแหน่งเป็นนายบ้านมีทรัพย์สมบัติมากมีค่าทาาบริวารมากอาตมาอยากทราบว่าท่านมีค่าทาาบริวารอยู่ภายใต้ครอบครองกี่คนประมาณหนึ่งร้อยคนท่านสมณะในจำนวนค่าทาาบริวารหนึ่งร้อยคนเนี้ยท่านสามารถจะใช้คนใดคนหนึ่งให้ทําการงานอย่างใดอย่างหนึ่งได้หรือไม่ได้สิท่านสมณะ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 ทำการงานอย่างไรอย่างเดิมของเขาท่านจะปฏิบัติตามคำสั่งของเขาหรือไม่ไม่ยังเด็ดขาดทำไมล่ะอุบาสกทำไมท่านจึงไม่ทำตามคำสั่งของกัจจายานะเขาจะบังอาจใช้ข้าพเจ้าได้อย่างไงท่านสมณะเขาเป็นท่าของข้าพเจ้าถึงแม้เขาจะใช้ข้าพเจ้าก็ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของเขาเป็นอันขา ดูก่อนอุบาสกอาตมาอยากทราบว่าอะไรละ่ะเป็นเหตุทําความแตกต่างระหว่างท่านกับกัจจายนะทําไมท่านจึงใช่เขาได้แต่เขาใช้ท่านไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่เขากับท่านก็เป็นคนเหมือนกันดูก่อนอุบาสกด้วยตัวอย่างเพียงเท่านี้ท่านก็พอมองเห็นได้แล้วว่าฤทธเดชเป็นของมีจริงคนบางคนมีฤทธเดชมาก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 ตามารบกวนจิตใจในตอนเย็นอีกรับประทานอาหารเย็นอย่างรีบร้อนแล้วก็นั่งทํางานในบ้านจนดึกตื่นจึงเข้าวนอนท่านรู้ไหมข้าพเจ้านอนยังไงท่านนอนไม่หลับใช่แล้วข้าพเจ้านอนไม่ค่อยหลับสนิทเพราะความเป็นห่วงกังวล น, นี่แหละอืมนับว่าท่านมีความทุกข์มากทีเดียวใช่ใช่จริงๆท่านสมณะท่านก็ทราบแล้ว ข้าพเจ้าเป็นทุกข์มากเพียงใดดูเหมือนว่าข้าพเจ้ากินได้น้อยนอนได้น้อยยิ่งกว่าบรรดาพวกท่าทกรรมกรของข้าพเจ้าเสียอีกยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้ายังมีโรคประจาอีกด้วยท่านเป็นโรคอะไรโรคปวดท้องและก็ลูคปวดศีสะรักษาหรือเปล่ารักษารักษายังไงก็ไม่หายนี่แหละขอให้ท่านได้โปรดสงสารข้าพเจ้าด้วย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 ไม่มีสละภาพที่จะจัดการกับตัวเองต้องคอยรับคำสั่งจากท่านต้องทำงานอาบเหงื่อต่างน้าตั้งแต่เช้าจนเย็นอยากจะหยุดพักผ่อนก็ทำไม่ได้อาตมาจึงเห็นว่าบรรดาพวกท่านกรรมกรเป็นคนที่น่าสงสารมากกว่าท่านท่านสมณะข้าพเจ้ายัางมีทุกข์อีกอย่างซึ่งบรรดาพวกท่ากรรมกรของพระเจ้าไม่มี